บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปอนุสติข้อต่อไปนั้นคือเทวตานุสติได้แก่การตั้งสติตามระลึกถึงเทวดาและธรรมที่ทาบุคคลให้เป็นเทวดาคำว่าเทวดานั้นแปลว่าผู้ประเสริฐบ้าง แปลว่าผู้อยู่อย่างสาราญบ้างแปลว่าผู้เที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลิน เ, เป็นต้นบ้างซึ่งโดยรูปของความหมายแล้วหมายถึงพวกที่มีรูปดีๆมีเสียงดีๆมีกลิ่นดีๆมีรสดีๆมีสัมผัสดีๆและมีอารมณ์ที่ดีพระพุทธศาสนาได้แสดงเรื่องของเทวดาไว้หลายนิยะด้วยกันนิยะแรก เป็นการการกล่าวถึงภพภูมิแผงเทวดาเหล่านั้นซึ่งแบ่งเป็นกามาวจรูรปาวจรและอรูปาวจรคือหมายถึงเป็นชั้นที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกรมกุณชั้นที่เสวยความสุขด้วยผลแผงชา้นและชั้นที่เสวยความสุขด้วยวผลแ่งอรูปชานโดยความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงสภาพแผงชีวิต ที่บุคคลมีอยู่เป็นอยู่กันในปัจจุบันนี้ใครก็ตามที่ได้อารมณ์เลิศคือได้เห็นรูปที่ดีๆเป็นต้นก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของบุคคลเหล่านั้นที่เรียกว่าสวรรค์จากอายตนะคือเกิดมาจากประสาทสัมผัสอีกนัยยะหนึ่งนั้นเป็นการแสดงถึงคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งทรงแสดงไว้โดยอเนกประยายจึงแสดงคิริโอตปะว่าเป็นธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาบ้างแสดงหลักธรรมเจข้อที่เรียกว่าวัตถบทุเจประการว่าเป็นธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดาบ้างแต่เฉพาะในเทวตานุสตินั้นได้เน้นเอาธรรมะห้าประการด้วยกันว่าเป็นธรรมที่ทาบุคคลให้เป็นเทวดา โดยส่งแนะให้บุคคลผู้จัดเจริญกรรมฐานข้อนี้พยายามเพิ่มพูนศรัทธาคือความเชื่อให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนแล้วอธิษฐานใจอ้างเอาเทวดาทั้งหลายในพบทั้งสามมาเป็นสกิลพยาธในการนั้นแล้วรำลึกถึงธรรมห้าประการซึ่งเป็นธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดา โดยน้อมเข้ามาดูภายในตนว่าธรรมะทั้งห้าประการนั้นมีอยู่ในเราหรือไม่เมื่อเห็นว่าธรรมะเหล่านั้นไม่มีอยู่ก็พยายามเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นถ้าเห็นว่ามีอยู่แล้วแต่ไม่สมบูรณ์ก็พยายามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้โดยวิธีนี้ย่อมช่วยให้เพิ่มพูนธรรมะที่ยังไม่มีให้มีขึ้น ที่มีแล้วให้สูงมากยิ่งขึ้นเป็นทางเกิดแห่งปีติปราโมทย์ในชีวิตปัจจุบันน้อมนำจิตใจให้เข้าสู่ความสงบตามขั้นตอนของอนุสติที่กล่าวมาในข้ออื่นธรรมะทั้งห้าประการนั้นทรงใช้คำว่าศรัทธาสัมปทาที่แปล ว, ว่าสมบูรณ์ด้วยศรัทธาหรือถึงพร้อมด้วยศรัทธาลักษณะของศรัทธาคือความเชื่อนั้น มีอยู่หลายระดับด้วยกันแต่ประสาทที่จะเกิดเป็นอนุสติขึ้นมาได้จะต้องมีความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนลักษณะของศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะต้องสามารถขจัดความไม่เชื่อที่เรียกว่าอสัตย์ทยียให้ออกไปจากจิตใจขจัดบันเทาความเครือบแคงสงสยัยไม่แน่ใจ ในคุณของพระตนตรัยเป็นต้นออกไปจากจิตข้างต้นได้ลักษณะของศรัทธาที่เป็นพื้นฐานโดยทั่ ว, วไปนั้นแสดงไว้เป็นสี่ประการด้วยกันคือกรรมศรัทธาเชื่อความมีอยู่แข่งกรรมได้แก่เจตนาที่บุคคลกระทาลงไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างและแม้แต่นึกคิดทางใจบ้างวิปากศรัทธาเชื่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทา ทั้งใจทวารทางใจทวารเหล่านั้นว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการกระทานั้นๆั้นและกรรมสักตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัานเป็นต้นอย่างที่สุดกันโดยมีฐานยึดมั่นอยู่ที่หลัก ต, าากตถาคตโพธิศทธาคือเชื่อ ในพระปัญญาเครื่องศัสรูของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาบางอย่างในพระศาสนานั้นเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงจุดหนึ่งเสียก่อนจึงจะสามารถรู้สามารถเห็นผลเหล่านั้นได้เช่นว่าผลของความที่จิตสงบจากนิวรธรรมทั้งหลายนั้นผู้ปฏิบัติจะต้อง พยายามปฏิบัติไปในชั้นของสมาธิจนบรรลุสมาธิจิตเสียก่อนคือจิตมีความสงบตั้งมั่นเสียก่อนก็จะเห็นว่าจิตที่สงบจากนิวรธรรมทั้งหลายนั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความประนีตอย่างไรบางอย่างจึงไม่อาจตัดสินด้วยปริยัตคือการศึกษาและเรียนหรือด้วยการสนทนากันแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้ปลูกฝังศรัทธาให้อย่างลงมั่นคง ในคุณของพระพุทธเจ้ามีปัญหาข้อข้องใจอะไรก็ปรงใจลงไปว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ย่อมช่วยให้ศรัทธาในศาสนธรรมยังลงมั่นคงภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นและจะย้อนกลับไปมีความรับผิดชอบในกรรมคือการกระทาของตนเองคือจะระมัดระวังในตัวกรรมว่า บุคคลทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นโดยพื้นแห่งความต้องการขั้นพื้นฐานจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความเดือดร้อนเมื่อทราบว่าเหตุอันใดเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะละเว้นไม่ประกอบเพุเหล่านั้นความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตนประการต่อไปคือศีลสามประทความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล เรื่องของศีนั้นจะเห็นได้ว่ามักจะปรากฏในที่ต่างๆอยู่เสมอเพราะเป็นการแสดงธรรมอันเป็นพื้นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลโดยบุคคลสามารถควบคุมตนเองโดยเฉพาะในการแสดงออกทางกายกับทางวาจาศีลจึงเป็นเรื่องของกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นโทษอันเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนกันการประทุษร้ายกัน โดยน้อมนึกเข้ามาหาตัวว่าถ้าหากว่าคนอื่นได้ประพฤติกระทำเช่นนั้นแก่ร่างกายตนแก่ทรัพย์สินของตนแก่บุตรปัญญาของตนตนก็ไม่ชอบแม้เราจะไปทำกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันกุศลและเจตนาที่บางเกิดขึ้นเช่นนี้เป็นเหตุให้บุคคลตั้งใจวิรัตงดเว้นตามสิกขาบทนั้ น, น, นซึ่งพ ร, ระภูมิอิรักยาทรงบัญญัติไป และเพียรพยายามที่จะรักษาศีลตามฐานะของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์คือรักษาให้อยู่ในสภาพของศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาศีลโดยอำนาจของตันหามานะได้มีลักษณะโน้มน้อมเข้าไปหาความสงบศีลที่สมบูรณ์ในลักษณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะของบุคคลแต่จะเป็นใครก็ตามก็ต้องสมบูรณ์ในฐานะนั้นๆ ประการที่สามคือสุตะได้แก่มีการศึกษาการสดับตับฟังมากบางครั้งเรียกว่าภูสัจจ์หรือภูสูตรซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือการที่บุคคลได้ยินได้ฟังมาทางประสาทสัมผัสมากเมื่อได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ทรงจําเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ได้ปัญหาบางอย่างเรื่องบางอย่าง ที่เป็นหัวข้อเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์ก็สามารถท่องได้และที่สําคัญที่สุดก็คือหลักการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้นจะต้องนําเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจนารณาด้วยใจไม่ว่าท่านแสดงไว้อย่างไรก็ตามการสั่งสอนการแสดงธรรมะนั้นเปรียบเหมือนการที่บุคคลยื่นของมาให้เราบอกให้เรารับประทาน แต่ก่อนที่จะรับประทานก็ต้องพิจารณาวิธีรับประธานแล้วว่าสิ่งอะไรที่รับประทานได้หรือไม่ได้อย่างสำนวนที่คนไทยท่านพูดกันว่าอย่ากินมังคุดทั้งเปลือกแต่ว่าเวลาก็ส่งให้เข ก, ก็ส่งให้ไปทั้งเปลือกส่วนจะรับประทานนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องฉลาดเลือกเฟ้นาดังนั้นธรรมะทั้งหลายจึงต้องนําไปเพ่งพินิษฐ์พิจารณาด้วยใจที่ทรงใช้คําว่ามนานะสานุเปกีตา คือนำไปใคร่ครวญ น, นำไปพินิษฐพิจารณาแล้วก็จะเกิดความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นขึ้นข้อนี้พึงดูตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งแก่นายพรานเบ็ดชื่ออริยะคําว่าอริยะนั้นแปลว่าผู้ประเสริฐเมื่อพระพุทธเจ้าได้ไปสนทนากับนายพรานเบ็ดรับสั่งถามว่าเธอชื่ออะไรแกบอกว่าชื่ออริยะพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่า ในธรรมวินัยเราก็มีพระอริยะเหมือนกันในพรานเบ็ดดีใจว่าตนเองเป็นพวกเดียวกับพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นก็รับสั่งว่าแต่ในธรรมวินัยเรานั้นพระอริยะจะไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ประทุษร้ายสัตว์ไม่ทําลายสัตว์มีสัจจานวางแล้วมีอาวุธนวังแล้วมีเครื่องประหารนั่นวางแล้วมีความสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนี่คืออริยะในธรรมวินัยนี้ นายพรานเบสชื่ออริยะก็นำมาคิดคิดมองดูถึงถ้อยคําที่ใช้คําว่าอริยะแล้วเปรียบเทียบกับความเป็นอริยะของตนและความเป็นอริยะในพระพุทธศาสนาก็เห็นได้ทันทีว่าตนเองเป็นอริยะแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่การประพฤติปฏิบัติไม่ได้เป็นอริยะตามความหมายที่แท้จริงของชื่อดังนั้นจึงเลิกละอาชีพ การเป็นพรานเบ็ดตั้งแต่นั้นมาแล้วควางประธรรมเทศนาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันในที่สุดครนีจะเห็นได้ว่าทุกอย่างนั้นจะต้องนำมาคิดนำมาพินิษพิจารณาซึก่อนเมื่อพิจารณาแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าทิทยาสุปฏิวิธาคือแทงตลอดด้วยทิฏฐิความคิดความเห็นของตนเข้าใจเนื้อหาแห่งธรรมะเหล่านั้นได้แจ่มแจ้งชัดเจน เ ก, กิดประจักษ์แก่ใจของตนมีปัญญาขบเจาะทะลุธรรมะเหล่านั้นที่ท่านเรียกว่านิเบธิกะปัญญาคือชั้แรกแยกแยะสิ่งต่างๆออกได้ชัดเจนอย่างในหลักของการใช้ปัญญาที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ฉลาดในทางเสื่อมทางเจริญและมีบายวิธีในการหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญนั้น ซึ่งในชั้นนี้จําเป็นจะต้องเข้าถึงจุดที่เรียกว่าแทงตลอดโดยทิจิของตนดังกล่าวการที่สี่คือจาคะสัมปทาโดยสมบูรณ์ด้วยจาคะคือการเสียสละคำว่าจาคะนั้นเป็นองค์ธรรมที่ปรากฏในที่ต่างๆเป็นอันมากบางครั้งก็เป็นปัจจัยสนับสนุนกันบางครั้งก็โดดเด่นออกไปเฉพาะตัวเอง เช่นว่าบางคราวก็หมายถึงการสละวัตถุสิ่งของอย่างที่เคยกล่าวมาในจาคานุสติจาระในลักษณะนี้หมายถึงทานกับสังวิภา ค, คือการแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้แต่ในความหมายอีกอย่างหนึ่งหมายถึงถึงการสละอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อเจตจำนงของตนเช่นว่าบุคคลตั้งใจว่าจะทําความดีอย่างใดอย่างหนึง่ง ต่อแต่นั้นจะมีความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นมารเข้ามาคอยขัดขวางไม่ให้ทำความดีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งในกรณีนี้บุคคลจะต้องใช้ปัญญาดูให้ประจกว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูถ้าเห็นว่าเป็นศัตรูก็ต้องสลับความรู้สึกเหล่านี้ออกไปจะฆ่าในชั้นนี้ส่วนมากแล้วจะใช้ในระดับของอธิฐานธรรมคือธรรมะที่บุคคลควรตั้งไว้ในใจ จะาะคะอีกระดับหนึ่งนั้นหมายถึงการสละกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความสร้าหมองใจต่างๆโดยความหมายชั้นสูงสุดจาระคะยังเป็นวัยพนษคือคำใช้แทนพระนิพพานได้อย่างในกรณีที่ทรงอธิบายหลักของนิโรธในอริยสัจสีก็ทรงใช้คำว่าจาโกซึ่งแปลว่าความเสียสละในความเสียสละนั้นหมายถึงการเสียสละกิเลสทีเดียว แต่จะก่ะในที่นี้หมายถึงการเสียสละในลักษณะที่เกื้อกูลเป็นธรรมที่ผู้ครองเรือนทั่วไปจะสามารถปฏิบัติได้วัตธรรมทั้งห้าข้อนี้จะทรงแสดงแก่ครวดผู้ครองเรือนสวดมากเท่าที่พบก็แสดงแก่นางวิสาขามาอุบาสิกากับท่านกับพระเจ้ามหานามะแห่งกรุงกวินละพัน บางครั้งก็เรียกว่าทาที่ทําให้บุคคลสมความมุ่งหมายคือตั้งความมุ่งหมายอะไรไว้ก็จะสมความมุ่งหมายในเรื่องเหล่านั้นนั้นการเสียสละในลักษณะที่อาศัยจิตคิดอุเาะห์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเป็นการแสดงออกในรูปของจาการุสติอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วเป็นธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาอีกประการหนึ่ง ประการต่อไปก็คือเรื่องของปัญญาได้แก่ความรอบรู้ความรอบรู้ในชั้นนี้ก็ไม่ได้แสดงวิจิตพิสดารอะไรแต่หมายถึงเป็นความรู้ในระดับการสามารถใช้เหตุผลในการดำาริชีวิตได้คือการที่บุคคลศึกษาจนเกิดความรู้ความเข้าใจแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นผลของอะไรเมื่อทำเหตุอย่างนี้แล้วผลจะออกมาอย่างไร หรือผลที่เกิดขึ้นอย่างนี้มาจากเขตอย่างไรเป็นต้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ได้แก่โกศลคือความฉลาดใน3ประการดังกล่าวในตอนต้นคืออปาญโกศลเป็นคนฉลาดในทางเสื่อมรู้ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมแล้วละเว้นทางเสื่อมเหล่านั้นเช่นรู้ว่าอบายมุกเป็นทางเสื่อมก็ละเว้นอบายมุกเป็นต้นอายโกศลฉลาดในทางเจริญรู้ว่าการประพฤติปฏิบัติ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เป็นทางแห่งความเจริญก็ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นและตัวการที่สำคัญที่สุดผู้ศึกษาธรรมะจะเห็นได้ว่าเรื่องทางเสื่อมทางเจริญนั้นแ ท, ท้จริงก็พอรู้กันจุที่สำคัญก็คือทั้งๆ ท, ที่รู้นั้นก็ยังประพฤติในทางเสื่อมไม่สามารถก้าวมาในทางเจริญได้ดนั้นท่านจึงสอนให้มีอุปาโยโกสนุน คือฉลาดในทางในวายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญธรรมะทั้งห้าประการนี้เมื่อบุคคลได้กำหนดระลึกพินิษพิจารณาแล้วก็กำหนดดูว่าพวกเทวดาทั้งหลายในฉะกามาวจร น, นั้นได้บังเกิดในกามาวจรก็เพราะอาศัยคุณธรรมั้งลคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้น แล้วก็น้อมนำเอาธรรมะเหล่านั้นมาตรวจสอบดูในตนว่าเรามีศรัทธาหรือไม่เรามีศีลหรือไม่เรามีสุตะคือการศึกษาการสับตับฟังอยู่หรือไม่เรามีจาคะเรามีปัญญาหรือไม่ถ้าหากว่าตรวจดูแล้วเห็นว่าตนยังไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นก็เพียงพยายามเพิ่มพูนขึ้นซึ่งในกรณีนี้ถ้าหากว่า เพิ่มพูนที่ตัวศรัทธาให้บังเกิดขึ้นก็จะดึงเอาธรรมะส่วนอื่นให้บังเกิดขึ้นติดตามมาในหลักของการปฏิบัติและหลักของการแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้พึงสังเกตว่าในกรณีใดก็ตามที่ทรงแสดงธรรมะคือศรัทธาเอาไว้ในที่นั้นจะต้องแสดงปัญญากำกับไว้เสมอทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ศรัทธาที่ขาดฐานปัญญาเป็นเครื่องวิเคราะห์พินิษพิจารณาแล้วโอกาสที่จะหลงทางนั้นมีได้ง่ายแต่ถ้ามีปัญญากำกับอยู่สามารถแยกแยะได้ตามควรแก่กรณีดัง น, นั้น<ๆ>ก็จะคุมทิศทางของศรัทธาให้ดำเนินไปในทางที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งก็นี้พึงเห็นตัวอย่างบุคคลเป็นนั้นมากในสมัยพุทธกาลที่ ลูกฝังศรัทธาลงไปในเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ไปหลงทางอยู่เป็นเวลานานแต่พอได้วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาที่ดีก็สามารถกลับความประพฤติของตนเองได้อย่างเช่นเช่นท่านชัมภูกาชีวกด้วยอาศัยวิบากกรรมในอดีตของท่านประการหนึ่งและการขา้อผาสมาคมกับพวกที่ไม่ดีนั้นประการหนึ่งทําให้หลงทางในการปฏิบัติอยู่เป็นเวลานาน แต่พอพบกับพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองท่านก็สามารถปรับแนวความประพฤติได้โดยอาศัยพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ท่านได้บรรลุมรรคผลเป็นพระยบุคคลในาศาสนาได้ดัง น, นั้นศรัทธาที่ตั้งลงจึงถือว่าเป็นหลักสำคัญมากถ้าหากว่าตัวศรัทธามันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุผลไม่มีปัญญาเข้ากากับโอกาสที่จะหลงทางก็มีได้ง่าย เมื่อหลงทางแล้วก็คล้ายๆกับเราเดินผิดทางกว่าจะกลับมาตั้งต้นใหม่ก็เสียเวลาไปเป็นอันมากธรรมะทั้งห้าข้อนี้ทรงแสดงศรัทธาไว้ในตอนต้นแล้วก็ทรงแสดงปัญญากํากับไว้ในตอนหลังเพื่อหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วศรัทธากับปัญญาจะต้องไม่ล้าหน้ากันตอนใดที่ศรัทธาล้ําหน้าก็จะกลายเป็นความงง ง, งา่ายไร้เหตุผลไปได้แต่ถ้าปัญญาลําหน้าไป ก็จะออกไปนอกลูก่นอกทางปฏิเสธบาปบุญก็ได้แต่ถ้าหากว่าศรัทธากับปัญญาเคียงคู่ขนานกันไปมีลักษณะเหมือนการล้างมือแม้จะต่างก็ต่างฝ่ายต่างก็ล้างซึ่งกันและกันคือมือซ้ายก็ถูให้มือขวามือขวาก็ถูให้มือซ้ายเป็นต้นก็เกิดความสะอาดด้วยการทั้งสองมือการปฏิบัติธรรมทั้งห้าข้อนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นธรรมะทั้งห้าข้อนี้ถ้าตัดข้อที่สมออกไป ท่านก็เรียกว่าสัมปรายกัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่บุคคลจะพึงสัมผัสในภายภาคหน้าบางครั้งก็ทรงใช้คำว่าทำที่ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนมุ่งหมายโดยตัดข้อที่สที่สามออกไปเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลได้เจริญเทวานุสติคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาโดยเทียบเคียงธรรมะของธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดา กับธรรมะเหล่านั้นที่มีอยู่ในตนแล้วเมื่อเห็นว่าไม่มีก็พยายามปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับและในที่สุดธรรมะทั้งห้าประการก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของตนตามสมควรแก่การปฏิบัติทรงแสดงอานิสงส์แห่งเทวตานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณของเทวดาไว้ว่า ประการแรกจะเป็นการเพิ่มพูนธรรมะทั้ง5ประการให้สูงขึ้นเรื่อยๆประการที่สองเมื่อมองเห็นคุณธรรมเหล่านั้นว่ามีอยู่ในตนแล้วปีติปราโมทย์ก็จะบังเกิดขึ้นชีวิตของบุคคล น, นั้นก็จะอยู่ด้วยปีติปราโมทย์และมากด้วยปีติปราโมทย์ซึ่งข้อ น, นี้พึงเห็นได้ว่าเวลาใดาก็ตามที่เรามองดู การประพฤติหรือว่าจิตใจของเราไม่เห็นความบกพร่องความผิดพลาดอะไรเลยความปีติความอึบอิ่มก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นการพิจารณาเทียบเคียงธรรมะทั้งห้าประการที่ทําคนให้เป็นเทวดากับของตัวเองเมื่อเราเห็นว่าเราก็มีธรรมะเหล่านั้นเหมือนกันก็ทําให้เกิดความปีติปราโมทย์ขึ้นมาโดยดัด่งดับชีวิตที่อยู่ด้วยปีติปราโมทย์ในลักษณะนี้ ก็จะมีความโปร่งเบาสบายจิตใจก็พร้อมที่จะโน้มน้อมเข้าไปหาความสงบแต่เนื่องจากพวกอนุสติทั้งหกข้อมาถึงเทวตานุสติที่กราั น, นี้เป็นเรื่องของธรรมะที่ออกจะละเอียดในชั้นของการปฏิบัติท่านแสดงว่าไม่ถึงอัปปนาคือไม่ถึงกับเป็นสมาธิที่แน่แน่แต่จะไปถึงเพียงอุปจาระเนั้นเอง แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเป็นบาทให้บุคคลเจริญวิปัสนาคือยกนามรูปขึ้นพิจารณาเห็นความจริงตามภัจัยรลักษ์ได้และท่านยังได้ยืนยันไว้ในตอนสุดท้ายว่าถ้าคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ยังมีอยู่และบุคคลได้เจริญเทวตานุสติเทียบเคียงตัวเองกับธรรมะที่ทาคนให้เป็นเทวดาอยู่สม่ำเสมอแล้ว นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนธรรมะดังกล่าวและเพิ่มพูนปิติปราโมทเสริมสร้างปสาทะคือความเลื่อมใสให้สูงขึ้นภายในจิตใ จ, จข้างตนแล้วท่านยังรับรองว่าฌาบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดจุในสังสารวัฏบุคคลผู้นั้นจะมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคือตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติเรื่องของเทวดาแม้จะแสดงไว โดยอเนกปริยายคณนยะต่างๆแสดงถึงสภาพชีวิตในปัจจุบันที่อยู่ดีมีสุขแสดงถึงสภาพชีวิตที่วัติในสุกติโลกสวรรค์และแสดงสภาวะของจิตใจที่มีความสุขกายสบายใจตลอดถึงแสดงสภาพของธรรมะที่ทาคนให้เป็นเทวดาก็ตามนิยตต่างๆเหล่านั้นมาสรุปลงกันที่ความมีธรรมะอยู่ภายในจิตของบุคคลแต่ละคน แล้วสำแดงผลออกมาให้เกิดเป็นสักคะคือสวรรค์ได้แก่ความมีอารมณ์เลิศโดยฐานะต่างๆดังกล่าวแล้วในตอนตอน้นเทวตานุสติจึงเป็นกรรมฐานประการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดธรรมะมีศรัทธาเป็นต้นขึ้นภายในจิตใจเสริมสร้างปีติปราโมทย์ด้ความเลื่อมใสภายในจิตให้เพิ่มพูนทวียิ่งขึ้นและเป็นหลักพ่งท่านประกันไว้ว่า เมื่อบุคคลมีธรรมะเหล่านี้อยู่จะประการได้ถึงกติภพอันโตนุบัติว่าจะต้องบังเกิดในสุขติต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสื่ต่อ